เปรียบด้วยคาบและเหลาเหมือนหัวงูเห่าเปรียบด้วยคบเพลิงเผาอยู่เนืองเนืองเหมือนร่างกระดูกกามทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีทุกข์มากเหมือนงูที่มีพิษมากเหมือนก้อนเหล็กอันไฟติดทั่วเป็นลาภง้าแห่งทุกข์มีทุกข์เป็นผลกามทั้งหลาย เปรียบเหมือนผลไม้อันเป็นพิษเหมือนชิ้นเนื้อนํามาซึ่งทุกข์การทั้งหลายเปรียบเหมือนความฝันเป็นของหลอกลวงเหมือนของที่ยืมเข้ามาเปรียบได้หอกและหลาวเป็นโลกเป็นดังหัวฝีเป็นความทุกข์ยากเป็นความลําบากเช่นดังหลุมทานเพลิงเป็นลากเง้าแห่งความทุกข์เป็นภัยเป็นนายเพชฌฆาต การทั้งหลายบัณฑิตกล่าวว่ามีความทุกข์มากเป็นอันตรายมากอย่างนี้ ก่อนภิกษุทั้งหลายการติดต่อกับมาตุคามเป็นปฏิปักษ์ต่อพรหมจันทร์ภิกษุพึงปฏิบัติต่อมาตุคามสามประการคือ 1. การไม่เห็น 2. ถ้าจำเป็นต้องเห็นก็ไม่พึงเจรจาด้วย 3. ถ้าจำเป็นต้องเจรจาพึงตั้งสติไว้ธรรมดาว่าหญิง เป็นคนมักโกรธไม่รู้จักคุณชอบสอเสียดชอบยุยงให้แตกกันดูก่อนภิกษุท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เถิดท่านจะไม่เสื่อมจากความสุขธรรมดาว่าหญิงเหล่านี้เป็นผู้ยังบุรุษให้งงงวยมีมารยามากและยังพรหมจรรย์ให้กำเริบย่อมจะจมลงในอบายบัณฑิตรู้ชัดอย่างนี้แล้ว พึงหลีกเว้นเสียให้ห่างไกลธรรมดาสตรีมีปกติหมุนเวียนมีมายามากมักทำพรหมจรรย์ให้กำเริบย่อมทำนักพรตให้จมลงท่านรู้แจ้งชนี้แล้วพึงเว้นเสียให้ห่างไกลสตรีทั้งหลายมีวาจาไพเราะมีสัมภาษณ์อ่อนหวานยากที่จะให้เต็มได้เสมอด้วยแม่น้ำ สตรีทั้งหลายย่อมเข้าไปส่องเสพ บ, บุรุษใดด้วยความพอใจหรือด้วยทรัพย์ก็ตามย่อมพลันตามเผาผลาญบุรุษนั้นเหมือนไฟป่าเผาสถานที่ตนเองฉะนั้นมุนีเหล่าใดย่อมไม่พัวพันในหญิงทั้งหลายมุนีเหล่านั้น ย่อมนอนหลับเป็นสุขสัจจะที่ได้ยากแสนยากในหญิงเหล่าใดหญิงเหล่านั้นอันบุคคลต้องรักษาทุกเมื่อแท้ราคะบัณฑิตกล่าวว่าเป็นทางผิดวัยสิ้นไปตามคืนและวันหญิงเป็นมนทินของพรหมจันทร์มูสัต์นี้ย่อมติดอยู่ในหญิงนี้ตบะและพรหมจันทร์นั้นไม่ใช่น้ำแต่เป็นเครื่องชำระล้าง น้ำดองในโลกเขาเรียกชื่อว่าสุลาสุลาทําให้ใจหึกเหิมมีกลิ่นหอมทําให้พูดมากมีรสหวานแหลมปาน้ําผึ้งพระอริยะทั้งหลายกล่าวสุลานั้นว่าเป็นพิษของพรหมจรรย์หญิงในโลกย่อมย่ายีบุรุษผู้ประมาทแล้วหญิงเหล่านั้นย่อมจูงจิตของบุรุษไปเหมือนลมพัดปุยนุ่นที่หล่นจากต้นไป ฉะนั้นนี่บัณฑิตกล่าวว่าเป็นเหวของพรหมจรรย์ลาบสันเสริญสกาละและการบูชาในตระกูลอื่นๆนี่บัณฑิตกล่าวว่าเป็นเปลือกตมของพรหมจรรย์เบญจา ก, กามคุณอันน่าลื่นลมใจเหล่านี้คือรูปรสกลิ่นเสียงและโพธพพะที่มีปรากฏอยู่ในเรือนร่างของผู้หญิง ย่อมร่อลวงปุถุชนให้ลำบากเหมือนผลานเนื้อแอบตัดเนื้อด้วยเครื่องดักพลานเบ็ดจับปลาด้วยเบ็ดบุคคลจับวานอนด้วยเครื่องล่อฉะนั้นปุถุชนเหล่าใดมีจิตกำหนัดเข้าไปส่องเสพหญิงเหล่านั้นปุถุชนเหล่านั้นย่อมยังสงสารอันน่ากลัวให้เจริญย่อมก่อพบใหม่ขึ้นอีกส่วนผู้ใดงดเว้นหญิงเหล่านั้น เหมือนบุคคลสลัดหัวงูด้วยเท้าผู้นั้นเป็นผู้มีสติระงับตันหาอันซ้านไปในโรคเสียได้เห็นโทษในกามเห็นการออกบรรพชาด้วยความเกษมสลัดตนจากกามทั้งปวงแล้วได้บรรลุความสิ้นอาสวะ บันดิตเจราจากับบุรุษผู้ถือดาบอย่างคมกล้าพึงเจราจากับปีศาจผู้ดุร้ายแม่จะพึงเข้าไปนั่งใกล้งูพิษลายแต่ไม่ควรเจราจากับหญิงตัวต่อตัวเพราะว่าหญิงเป็นผู้ย่ำยีจิตของโลกถืออาวุธคือการฟ้อนล้ำขับร้องและการเจราจาย่อมเบียดเบียนบุรุษผู้ไม่ตั้งสติไวเหมือนหมูรากศพ ที่เกาะเบียดเบียนพ่อค้าฉะนั้นหญิงไม่มีวินยัยไม่มีสังวรยินดีในน้ำเมาและเนื้อสัตว์ไม่สำรวมพลานทรัพย์ที่บุรุษหามาได้โดยยากให้ขิบหายเหมือนปลาติมิงคละลืนกินมังกรในทะเลฉะนั้นหญิงมีกามคุณหา้าอันน่ายินดีเป็นทำไรหากินเป็นคนหญิง จิตไม่เที่ยงตรงไม่สำรวมย่อมเข้าหาชายผู้ประมาทเหมือนแม่น้าทั้งหลายอันไหลไปสู่มหาสมุทรฉะนั้นหญิงได้ชื่อว่าฆ่าชายด้วยลาคะและโทสะเข้าไปหาชายคนใดเพราะความพอใจเพราะความกำหนัดหรือเพราะความต้องการทรัพย่ยอมเผาชายเช่นนั้นเสียเช่นกับเปลวไฟหญิงรู้ว่าชายมั่งคั่ง มีทรัพย์ย่อมเข้าไปหาชายย่อมให้ทั้งทรัพย์และตนเองย่อมเกาะชายที่มีจิตถูกราคะย้อมเหมือนเถาย่านทรายเกาะไม้สาระในป่าฉชนนั้นญิงประดับร่างกายหน้าตาให้สะสวยเข้าไปหาชายด้วยความพอใจมีประการต่างๆทำยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ใช้มายาตั้งร้อยเหมือนดังคนเล่นกล และอสุรินทราหูหญิงประดับประดาด้วยทองแก้วมณีและมุกดาถึงจะมีคนสการะและรักษาไวในตระกูลของสามียังประพฤตินอกใจสามีดังหญิงที่อยู่ในสวงอกประพฤตินอกใจมานพฉนั้นจิงอยู่ น, นรชนผู้มีปัญญาเครื่องพิจารณาแม้จะมีเดชมีมหาชนสการะบูชา ถ้าตกอยู่ในอำนาจของหญิงแล้วย่อมไม่ลุ่งเรืองเหมือนพระจันทร์ถูกลาหูจับฉะนั้นโจรผู้มีจิตโกรธคิดประทุษร้ายพึ่งกระทำแก่โจรอื่นซึ่งเป็นค่าศึกที่มาประจันหน้าส่วนผู้ตกอยู่ในอำนาจของหญิงไม่มีอุเบกขาย่อมเข้าถึงความพินาธยิ่งกว่านั้นอีกหญิงถึงจะถูกชายฉุดกระชากรากผมและยิกควนด้วยเร็บ คุกคามทุกตีด้วยเท้าด้วยมือและท่อนไม้ก็กลับวิ่งเข้าหาเหมือนหมูมแมลงวันที่ซากศพฉะนั้นบุรุษผู้มีจักษุคือปัญญาปราถนาความสุขแก่ตนพึงเว้นหญิงเสียเหมือนกับบ่วงและข่ายที่ดักไว้ในสกุลในถนนสายหนึ่งในราชธานีหรือในนิคมบุรุษผู้ตกอยู่ในอำนาจของหญิง ยอมถูกติเตียนทั้งโลกนี้และโลกหน้ากรรมของตนกระทบแล้วเป็นคนโง่เขาย่อมไปพลังพลังพลาดพลาดโดยไม่แน่นอนเหมือนรถที่เทียมด้วยลากงย่อมผิดทางฉะนั้นผู้ตกอยู่ในอำนาจของหญิงย่อมเข้าถึงนรกเป็นที่เผาสัตว์ให้รุ่มร้อนและนรกอันมีป่าไ ม, ม้ยวมีหนามแหลมดังหอกเหล็ก แล้วมากำเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉานย่อมไม่พ้นจากวิสัยเปรตและอสุรกายหญิงย่อมทำลายความเล่นหัวความยินดีความเพลิดเพลินอันเป็นทิพย์และจักระพัฒสมบัติในมนุษย์ของชายผู้ประมาทให้พินาศและยังทำชายนั้นให้ถึงทุกขติอีกด้วยชายเหล่าใดไม่ต้องการหญิงประพฤติพรหมจรรย์ชายเหล่านั้นพึงได้การ เร่นหัวความยินดีอันเป็นทิพย์จากประพัดสมบัติในมนุษย์ประนางเทพอักษรอันอยู่ในวิมานทองโดยไม่ยากเลยชายเหล่าใดไม่ต้องการหญิงประพตชพมจันทร์ชายเหล่านั้นพึงได้คติที่ก้าวล่วงเสียซึ่งการมทธาตรูปธาตุสมภพและคติที่เข้าถึงวิสัยความปราศจากราคะโดยไม่ยากเลยชายเหล่าใด ไม่ต้องการหญิงประพฤติพรหมจรรย์ชายเหล่านั้นเป็นผู้ดับแล้วสะอาดพึงได้นิพพานอันกระเสมอันก้าวล่วงเสียซึ่งทุกทั้งปวงล่วงส่วนไม่หวั่นไหวไม่มีอะไรปรุงแต่งโดยไม่ยากเลย ชื่อว่าหญิงในโลกนี้เหลวซามเพราะหญิงเหล่านั้นไม่มีเขตแดนมีแต่ความกำหนับยินดีคึกขนองไม่เลือกเหมือนกับไฟที่ไหม้ไม่เลือกฉะนั้นเราจักละทิ้งหญิงเหล่านั้นไปบวชพอกพูนความวิเวกหญิงเหล่านี้ดีแต่เมื่อยังไม่เข้าไปใกล้เมื่อเข้าไปใกล้นำความจีบหายมาให้เป็นนิดทีเดียวเราออกจากป่ามาสู่บ้าน เข้าไปสู่เรือนแห่งญาติแล้วไม่ได้อำลาใครๆออกจากเรือนนั้นหนีมาแล้วบุคคลผู้ต้องการอาหารในเวลาอาหารพึงเข้าไปใกล้เรือนใดพึงรู้กุศลคืออโครจรห้ที่ควรเว้นในสกุลนั้นบุคคลเข้าไปสู่ตระกูลอื่นเพื่อปานะหรือโพชนะแล้วพึงรู้จักประมาณบริโภคแต่พอสมควรและไม่พึงใส่ใจ ในรูปผู้หญิงในพวกมนุษย์ชนที่ถึงฝั่งมีจำนวนน้อยแต่หมูสัตว์นอกนี้ยอมวิ่งไปตามฝั่งนั่นเอง ส่วนชนเหล่าใดประพฤติตามในธรรมที่พระผู้มีพระภาคตัดไว้ดีแล้วชนเหล่านั้นข้ามบ่วงมรตยูซึ่งแสนยากที่จะข้ามไปถึงฝั่งได้บัณฑิตพึงละธรรมฝ่ายดำเสียจเจริญธรรมฝ่ายขาวออกจากความอาลัยอาศัยธรรมอันไม่มีความอาลัยแล้วพึงละกามเสียเป็นผู้ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวล ปราถนาความยินดีในวิเวกที่สัตยินดีได้ยากบัณฑิตพึงยังตนให้ผ่องแผ้วจากเครื่องเศร้าหมองจิตชนเหล่าใดอบรมจิตดีแล้วโดยชอบในองค์เป็นเหตุให้ตัดสรุ้ไม่ถือมั่นยินดีแล้วในความสละคืนจากความถือมั่นชนเหล่านั้นเป็นผู้สิ้นอาสวะมีความรุ่งเรืองปรินิพานแล้วในโลกนี้ อริยะสาวกของพระตถาคตย่อมมายินดีในกามคุณแม้ในสวรรค์จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงกามคุณอันเป็นของมนุษย์เล่าก็ชนเหล่าใดแลเป็นคนพานมีปัญญาสามมีความคิดชั่วถูกโมหะหุ้มห่อไว้แล้วชนเหล่านั้นจึงจะกำหนัดยินดีในเครื่องผูกที่มารดักไว้ชนเหล่าใดคลายราคะโทสะ และอวิชาได้แล้วชนเหล่านั้นผู้คงที่เป็นผู้ตัดเส้นได้คือตั้นหาเครื่องนำไปสู่พบขาดแล้วไม่มีเครื่องผูกพันย่อมไม่กำหนัดยินดีในบวงแห่งมานั้น ก่อนภิกษุทั้งหลายคนพวกอื่นจะพึงกล่าวติเราติพระธรรมติพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรอาฆาตไม่ควรโทมนัสน้อยใจไม่ควรแค้นใจในคนเหล่านั้นคนโกรธมีผิวพันธ์ซามย่อมนอนเป็นทุกข์ถือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วกลับปฏิบัติสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์ ทำปาณาติบาตด้วยกายและวาจาย่อมถึงความเสื่อมทรัพย์ผู้มัวเมาเพราะความโกรธย่อมถึงความไม่มียศญาตมิตรและสหายย่อมเว้นคนโกรธเสียห่างไกลคนโกรธย่อมไม่รู้จักความเจริญทำจิตใจให้กําเริบภัยที่เกิดมาจากภายในนั้นคนโกรธย่อมไม่รู้สึกคนโกรธ ย่อมไม่รู้อัฏฐะไม่เห็นธรรมะความโกรธย่อมครอบงำนราชนในขณะใดความมืดตื้อย่อมมีในขณะนั้นคนผู้โกรธย่อมก่อกรรมที่ทําได้ยากเหมือนทําได้ง่ายภายหลังเมื่อหายโกรธแล้วเขาย่อมเดือดร้อนเหมือนถูกไฟไหมคนผู้โกรธย่อมแสดงความเก้ อ, อยากก่อน เหมือนไฟแสดงควันก่อนในการใดความโกรธเกิดขึ้นคนย่อมโกรธในการนั้นคนนั้นไม่มีหิริไม่มีโอตปะและไม่มีความเคารพคนที่ถูกความโกรธครอบงำย่อมไม่มีแสงสว่างแม้แต่เพียงน้อยเลยคนโกรธฆ่าบิดาก็ได้ฆ่ามาดาของตนก็ได้ฆ่าพระขี่นาศบก็ได้ ฆ่าปุถุชนก็ได้ลูกที่มาดาเลี้ยงไว้จนได้ลืมตาดูโลกนี้ลูกเช่นนั้นกิเลสหยาบช้าโกรธขึ้นมาย่อมฆ่าแม้มาดานั้นผู้ให้ชีวิตความเป็นอยู่ได้จริงอยู่สัตว์เหล่านั้นมีตนเป็นเครื่องเปรียบเทียบเพราะตนเป็นที่รักอย่างยิ่งคนโกรธหมกมุ่นในรูปต่างๆย่อมฆ่าตัวเองได้เพราะเหตุต่างๆ ย่อมฆ่าตัวเองด้วยดาบบ้างกินยาพิษบ้างเอาเชือกผูกคอตายบ้างโดดเขาตายบ้างคนเหล่านั้นเมื่อกระทรํากล้ำอันมีแต่ความเสื่อมและทําลายตนก็ไม่รู้สึกความเสื่อมเกิดแต่ความโกรธตามที่กล่าวมานี้เป็นบ่วงของมั จ, จุราชมีถ้าเป็นที่อยู่อาศัย คนผู้มักโกรธมีการฝึกตนคือมีปัญญาความเพียรและสมาธิิพึงตัดความโกรธนั้นขาดได้บัณฑิตพึงตัดอกุศลละธรรมแต่ละอย่างเสียให้ขาดพึงศึกษาในธรรมเหมือนอย่างนั้นเธอทั้งหลายปราถนาอยู่ว่าขอความเป็นผู้เกยยากอย่าได้มีแก่เราทั้งหลายเลยเธอทั้งหลาย เป็นผู้ปราศจากความโกรธไม่มีความคับแค้นใจปราศจากความโลภไม่มีความริษยาฝึกฝนตนแล้วละความโกรธได้แล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะจากปรินิพาน ที่ไหนความโกรธจะพึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่โกรธผู้ฝึกตนแล้วเลี้ยงชีพโดยชอบผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบผู้สงบผู้คงที่บุคคลโกรธตอบบุคคลผู้โกรธจัดว่าเป็นคนเลวกว่าบุคคลผู้โกรธเพราะความโกรธตอบนั้นบุคคลผู้ไม่โกรธตอบผู้โกรธชื่อว่าชนะสงคราม ที่ชนะได้ยากบุคคลใดรู้ว่าบุคคลอื่นโกรธแล้วมีสติสงบใจได้บุคคลนั้นชื่อว่าประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือแก่ตนและบุคคลอื่นชนเหล่าใดเป็นผู้ไม่ฉลาดในธรรมชนเหล่านั้นย่อมสำคัญบุคคลผู้รักษาทั้งสองฝ่ายคือตอน แร่บุคคลอื่นว่าเป็นคนโง่เขลาถ้าความโกรธเกิดขึ้นจงละลึกถึงพระโอวาสอันอุปมาด้วยเรื่อยถ้าตัณหาในรถเกิดขึ้นจงละลึกถึงพระโอวาสอันอุปมาด้วยเนื้อบุตรถ้าจิตของท่านแร่นไปในกามและพบทั้งหลายจงรีบข่มเสียด้วยสติเหมือนบุคคลห้ามโคที่ชอบกินข้าวกล้าฉะนั้น ความโกรธเกิดแต่ความไม่อดทนทีแรกเป็นของน้อยแต่ภายหลังเป็นของมากย่มเจริญขึ้นโดยลำดับความโกรธมักทำความเกี่ยวข้องมีความคับแค้นมากวาจาของผู้ประกรอบด้วยโทระเป็นวาจาหยาบคายถัดจากนั้นก็เกิดปรามาส ถ, ถูกต้องกันต่อจากนั้นก็ชกต่อยกันด้วยมือต่อไป ก็หยิบท่อนไม้เข้าทุบตีกันจนถึงจับสาตราเข้าฟันแทงกันเป็นที่สุดโทสะเกิดแต่ความโกรธความโลภเป็นอาการหยาบเป็นเหตุให้เที่ยวปล้นคูเอาสิ่งของแสดงของปลอมเปลี่ยนเอาของคนอื่นทำอุบายล่อลวงบาป ร, รมทั้งหลายนี้มีปรากฏอยู่เพราะโลกกระมกิเลส เรื่องร้อยลัดทั้งหลายอันศิเนหาผูกรัดเข้าอีกเป็นของสําเร็จด้วยใจนอนเนื่องอยู่เป็นอันมากย่อมทําให้บุคคลเดือดร้อนยิ่งนักผู้ใดไม่ทําความโกรธในบุคคลผู้ควรโกรธผู้นั้นเป็นสัตบุรุษย่อมไม่โกรธในการไหนไหนบุคคลนั้นแม้จะโกรธก็ไม่ทําความโกรธให้ปรากฏนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวบุคคลนั้นแล ว, ว่า เป็นสมณะในโลกเมื่อความโกรธเกิดขึ้นแล้วบุคคลย่อมไม่เห็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นเมื่อความโกรธไม่เกิดขึ้นบุคคลย่อมเห็นได้ดีความโกรธเป็นอารมณ์ของคนไร้ปัญญา ผู้ไม่โกรธฝึกฝนตนแล้วมีความเป็นอยู่สม่ำเสมอหลุดพ้นแล้วพ่อรู้ชอบสงบคงที่อยู่ความโกรธจยากมีมาแต่ไหนผู้ใดโกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วผู้นั้นเป็นผู้ลามกกว่าบุคคลผู้โกรธนั่นแหละเพราะการโกรธตอบนั้นบุคคลไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วชื่อว่า ย่อมชนะสงครามอันบุคคลชนะได้โดยยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติสงบเสียได้ผู้นั้นชื่อว่าย่อมประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือแก่ตนและแก่บุคคลอื่นเมื่อผู้นั้นรักษาประโยชน์ได้ทั้งสองฝ่ายคือของตนและของผู้อื่นชนทั้งหลายผู้ไม่ฉลาดในธรรม ย่อมสำคัญบุคคลนั้นว่าเป็นคนเข่าดังนี้ธรรมดาไฟย่อมเกิดขึ้นที่ไม้สีไฟอันบุคคลสีอยู่ไฟเกิดขึ้นแต่ไม้ได้ย่อมเผาไม้นั่นเองให้ไหมความโกรธย่อมเกิดขึ้นแก่คนโง่เขาเบาปัญญาไม่รู้จริงเพราะความแข็งดีแม้เขาก็ถูกความโกรธนั่นแหละเผาลน ความโกรธย่อมเจริญแก่ผู้ใดดุดไฟเจริญขึ้นในกอหญ้าและไม้ฉะนั้นยศของบุคคลนั้นย่อมเสื่อมไปเหมือนพระจันทร์ข้างแหลมฉะนั้นความโกรธจะได้ครอบงำท่านทั้งหลายและท่านทั้งหลาย อย่าได้โกรธตอบต่อบุคคลผู้โกรธความไม่โกรธและความไม่เบียดเบียนย่อมมีในท่านผู้ประเสริฐทุกเมื่อก็ความโกรธเปียบปานดังภูเขาย่อมย่ำยีคนลามกชะนี้แลเราเป็นผู้มีจิตอันโทสะไม่กระทบกระทั่งเป็นผู้อันความหมุนหรือมานนำไปไม่ได้ง่ายเราไม่โกรธมานานแลความโกรธ ย่อมไม่ตั้งอยู่ในเราถึงเราโกรธก็ไม่กล่าวคำหยาบและไม่กล่าวคำไม่ชอบธรรมเราเห็นประโยชน์ของตนจึงข่มตนไว้บุคคลฆ่าความโกรธเสียแล้วย่อมอยู่เป็นสุขฆ่าความโกรธเสียแล้วย่อมไม่เศร้าโศกพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมสันเสริญการฆ่าความโกรธอันมีรากเป็นพิษมียอดหวานเพราะว่า บุคคลฆ่าความโกรธนั้นเสียแล้วย่อมไม่เศร้าโศกบุคคลฆ่าความโกรธได้ย่อมนอนเป็นสุขฆ่าความโกรธได้ย่อมไม่เศร้าโศกพระอริยะเจ้าทั้งหลายย่อมสรรเสริญการฆ่าความโกรธอันมีมูลเป็นพิษมีที่สุดอันคืนคลายเพราะว่าบุคคลฆ่าความโกรธนั้นได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศกบุคคลฆ่าความโกรธได้แล้ว จึงจะไม่เศร้าโศกในการไหนๆหนรือสีทั้งหลายย่อมสันเสริญการละความรบหลูบุคคลควรอดทนคำหยาบที่ชนทั้งหลายกล่าวสัตบุรุษทั้งหลายกล่าวความอดทนนี้ว่าสูงสุด หมดนี้เป็นคําสอนจากพระสูตรต่างๆในพระไตรปิฎกขอเพื่อนนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายจงพึงเลือกพิจารณาเอาประโยชน์ตามแต่จะเห็นสมควรเถิด สารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามิข้าขอนอบน้อมบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสุดเสียนเกล้าเป็นที่พึ่งที่ละลึกทรงมีพระปัญญาอนันล้าเลิศทรงมีพระบริสุทธิ์ที่คุณเหนือผู้อื่นใดทรงมีพระมหากรุณาที่คุณ อนประมาณไม่ได้นักวิสาขาเลอกนี้พุทธะได้เกิดขึ้นแล้วหนอแม้การเวลาจะล่วงเลยมา 2,500 กว่าปีแล้วก็ตามธรรมะของพระพุทธองค์ก็ยังคงช่วยมวลมนุษย์ทั้งหลายได้พบแสงแห่งสัจธรรมซึ่งผู้ใดปฏิบัติตามย่อมเห็นได้ ด้วยตนเองณวันสำคัญนี้มาถึงเราพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเรามาปฏิบัติบูชาตามคำสอนของพระองค์เถิดอย่าประมาท ม, มัวเมาในชีวิตกันอยู่เลยโดยการระชั่วปพิที่ทำใจให้ผ่อนแผ้วแล้วเราจะพบความจริงที่พระองค์ตรัสรุ มาถือเรามาปฏิบัติตามศีลอันจะนำมาสึ่นความสุขศีลจะนำมา ส, สิ่นโภคประเสิศีลจะพาไปสู่นิพพานศีลเป็นเปนเรื่องชำระอันวิเศษชีวิตนี้สั้นรักเหมือนฟองน้ำเหมือนเกลียวขึ้นตั้งรึไม่ช้านานก็พลันมาลายไป ขอท่านทั้งหลายจงยึดธรรมเป็นแนวทางของชีวิตเถิดชีวิตก็จกใจเยสังคมก็จกร่มเย็น